ภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมผุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> นาบัดนี้ได้เวลานั่งสมาธิภาวนาพร้อมกับการได้ยินได้ฟังเรียกว่าฟังธรรมด้วยนั่งภาวนาไปด้วย การนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงเรียบร้อยแล้ว ก็ให้หลับตานึกภาวนารวมจิตใจเข้ามาภายในคำว่าพุโทโธพุโทโธเป็นชื่อประพุทธเจ้าพุโทโธเป็นพระนามของพระพุทธเจ้าเวลา <c oughs> เราเนกพุโทโธในใจ ก็ให้เตือนใจของเราว่าเราได้เจริญเอาชื่อเอาพระนามของพระพุท ธ, ธเจ้ามาไว้ในใจไม่ให้จิตใจเราคิดแสสายออกไปภายนอกรวมจิตใจเข้ามาภายในให้จิตใจมาอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ พร้อมกับการนึกพุทธโธเอาคุณประพุทธเจ้าเป็นอารมณ์การนึกภาวนาพุทธโธนี้ให้นึกให้เจริญให้ทีไม่ให้หา่างแล้วว่านึกอยู่เสมอเสมอให้จิตมาจดจ่ออยู่ในคำว่าพุทธโธ หรือพุโทโธทุกลมหายใจเข้าพุโทโธทุกลมหายใจออกเอาคำว่าพุโทโธนี้ตามลมเข้าออกคือให้นึกอยู่เสมอเหมือนลมเข้าออกยังชีวิตของเราให้เป็นมาได้คนเราถ้าไม่มีลมหายใจเขาเลยกว่าคนตาย คนที่ไม่ตายก็คือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เวลาเรานึกพูดโถก็ให้สังเกตจากลมหายใจเข้าออกให้จิตใจมาอยู่ในใจคำว่ามาอยู่ในจิตในใจนั้นไม่ใช่เรื่องภายนอกเป็นเรื่องภายใน จิตใจคนเรานั้นมันไม่ได้อยู่ภายนอกเหมือนตาเราเห็นลูกภายนอกหมูฟังเสียงภายนอกไม่ได้เป็นเช่นนั้นดวงจิตตววิญญาณดวงจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเรานั้นดวงจิตดวงนี้เราทุกคนได้มาตั้งแต่เราเกิดมา หรือว่าดวงจิตอันนี้มันก่อนที่รูปร่างกายตัวเหล่านี้มาเกิดนะั้นมันเกิดในจิตนี้ก่อนจิตดวงที่รู้ฟังทำฟังเสียงได้ยินอยู่นี้มาจากพบก่อนหนหลังที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาในพบน้อยพบใหญ่ ดวงจิตนี้มันเกิดมานมนานในโลกนี้ไม่มีใช่ว่าเกิดมาเฉพาะพบนี้ชาตินี้อย่างเดียวการวิวัฒนาการของดวงจิตดวงวิญญาณ น, นั้นมันมาตั้งแต่ตัวสัตว์เล็กๆแต่ที่ได้มาเกิดเป็นคนนี่แล้วว่าพัฒนาการมามากแล้ว รู้จักทําบุญให้ทานู้จักรักษาศีลห้าศีลแปดลจักรักษาศีลสิบสองร้อยยี่สิบเจ็ดลักทําบุญให้ทานรู้จักไหว้พระสวดมนต์ู้จักเจริญสมาธิภาวนาที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนา ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ในเวลานี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่มาแล้วเราอย่าปล่อยให้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงให้มันมาดึงลงไปสู่ที่ต่ำจงเพียรพยายามยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้น ท่านให้ชื่อว่าภาวนา <c oughs> อันการภาวนานี้มีเยี่ยงอย่างมาจากพระพุทธเจา้าไม่ใช่ว่าเรามาแต่งตั้งกันเองทำกันเองเมื่อพระพุท ธ, ธจเจ้าเสด็จออกบรรพชาออกบวทนั่น พระองค์ออกบวชแล้วไปภาวนาอยู่ในป่าในเขาในป่าเขาหิมลาลัยถ้ำครูหาที่ไหนที่เป็นที่เงียบส ง, งัดเขาหิมลาลัยประเทศอินเดียป่าหิมาพานลึกพระองค์ไปปฏิบัติภาวนา ค้นคิดพินิษพิจารณาเพื่อให้ได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญบรารมีมามากมายนับได้ว่าสี่อสงไขยแสนมาหากับนับตั้งแต่ได้ลัทธพยากรจากพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ชื่อว่าพระพุทธเจ้าทีปังกรได้ทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนับจากนั้นมาสีอสงไขยแสนมหากัรก็ได้มาเกิดเป็นโลกเท่าพยามหากรัศ เมื่ออายุยี่สิบเก้าปีก็เสด็จออกบรรพชาภาวนาอยู่ในเพศสมณนะเพศลูสียังไม่ได้ตรัสโลเป็นประพุทธิเจอยู่มาได้หกพันษาล่วงแล้วหรือว่าผ่านหรือดูฝนไปหกปี พระองค์จึงเสด็จลงมาทางภาคกลางอินเดียที่สมัยนี้ว่าพุทธคยาจังหวัดพุทธคยาเมื่อมาถึงลิมฝั่งแม่น้ำเนรัญชามีต้นไมโพต้นหนึ่ง <c oughs> ตามตำนานว่าต้นไมโพต้นนั้น ก็เท่ากันกับอายุของพระองค์คือสามสิบห้าปีพระองค์ก็ได้สามสิบห้าปีจึงมาพบต้นไมโพต้นนี้เมื่อพระองค์มาถึงต้นไมโพต้นนี้แล้วก็ชอบใจว่าที่นี่และจะเป็นที่นั่งสมาธิภาวนาของเรา เพื่อจะได้ตรัสโลเป็นพระพุทธเจ้าพอดีตอนเย็นๆวันนั้นเองวันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระจันเพนเนีน่ยววิสาขบูชาว่าเดือนวิสาขเมีแค่เกลียงโคคนหนึ่งมาเห็นพระพุทธเจ้าของเรา ว่าพะระฤาษีตนนี้คงจะนอนที่นี่แน่ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่ไปที่ไหนตลอดวันจึงเกิดมีศรัทธาไปเกี่ยวหญ้าคามาได้แปดก ร, รมเอามาประเคนถวายพระพุท ธ, ธเจ้าของเราพระองค์ก็รับเอายาคาทั้งแปดก ร, รมนั่นแหละมาปู เป็นที่นั่งสมาธิเป็นอาสนะทางด้านทิศตะวันออกของต้นโพ <c oughs> เมื่อพระองค์เอายาคาทั้งแปดกามคลี่ทับไปทับมาจนนั่งได้พระองค์เข้านั่งขัดสมาธิดังที่ให้เราท่านทั้งหลายนั่งนี่แหละเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชร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 จะไม่ลกไปมาในที่ใดๆเว้นเสียแต่ได้ตรัสสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสสรู้เป็นพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วยอมตายในที่นั่งนี้สัจจาอธทิฐานพระองค์ตั้งลงไปแล้วกิเลสมานสังขารมานความเจ็บปวดทุกขเวทนาใดๆยอมโซ สับ จ, จากอธิษฐานของพระพุตเถจาไม่ได้มันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอย่างไรก็รองค์เสียสละยอมตายแล้วเรียกว่าไม่หวั่นไหวจิตท่านมันไม่หวั่นไหวกายก็ไม่หวั่นไหวความเจ็บปวดทุกขเวทนามันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องเล็ก เรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัดความโกรธตัดความโลภตัดความหลงจะได้ตรัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าชีวิตีนี้พระองค์ก็เลือกอุบายภาวนาว่าจะเอาอุบายใดดีเมื่อพระองค์เลือกดูแล้วก็ได้ความว่า อนาปาลมหายใจลมเข้าไปลมออกมานี่มันเคลื่อนไหวไปมาอยู่ตลอดเวลาพอจะเป็นที่สังเกตเอาจิตใจได้พระพุทธเจ้าของเราก็เอาลมหายใจเข้าและออกนี่แหละเป็นนิมิตหมายเป็นบรีกรรมเป็นที่ภาวนา คือระวังรักษาจิตใจของพระองค์ไม่ให้ออกไปภายนอกรวมใจเข้ามาที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ว่าเวลาลมผ่านเข้าไปธาตุลมธาตุลมมันไม่รู้จักแต่มโนธาตุธาตุจิตธาตุใจดวงจิตผู้รู้ของพระองค์ ร, รู้รู้ว่าลมหายใจเข้าไป เมื่อเวลาลมหายใจออกมาก็รู้รู้ว่าลมหายใจออกมาพระองค์ตั้งจุดลงไปที่ดวงจิตผู้รู้ว่าลมหายใจเข้าและออกสติความละลึกได้พระองค์ก็ละลึกอยู่ในที่นี้ไม่ยอมให้จิตนี้คิดฟุ้งซ่านไปในที่ต่งตางๆให้มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกนี้เอง แต่พระองค์ตั้งใจกำหนดจริงๆไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็คิดฝุ้งซ่านไปไม่ไม่ใช่อย่างนั้นลมเข้าไปลมออกมาท่านรับรู้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าลมนั้นยาวท่านก็รู้ลมนั้นสั้นท่านก็รู้ ลมหยาบธรรมดาท่านก็รู้ลมอย่างกลางก็รู้ลมละเอียดก็รู้จนกระทั่งว่าหมดลมไม่มีลมท่านก็รู้อีกผู้รู้ในจิตใจนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจของพระองคเจดพระองค์ก็รวมลงไปในกระแสนี้กระแสที่รู้ลม คือจิตผู้รู้อยู่ในตัวในใจของเราทุกคนนี่เองเจตใจของพระองค์ก็รวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเมื่อระวังไม่ให้คิดไปในที่ต่างๆจิตของพระองค์ก็รวมลงเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวสงบแน่วแน่ภายใน ไม่ใช่เพียงว่าหลับตาภาวนาไปมาก็หลับอันนี้เรียกว่าไม่ภาวนาจริงภาวนาปลอมภาวนาหลับตาหลับพระพุท ธ, เ, ธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นเจตใจท่านไม่หลับท่านภาวนาอยู่เอาลมหายใจเป็นจุดหมายจนรู้ได้เข้าใจเจตใจของพระองค์ ก็รวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอปปนาสมาธิคือไม่ล่มหลงมัวเมาไปตามธรรมดาของโลกที่แล้วๆมาพระองค์ตัง้งใจรวมใจลงไปสร้างงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียว เพียงจิตใจสงบนี่แล้วก็สบายแลลวมันนั่งก็สบายยืนก็ดสบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ยืนนั่งภาวนาอย่างเดียวนั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจของพระองค์แน่วแน่มั่นคงดีแล้ว พระองค์ก็กำหนดรูปนามกายใจตัวตนของพระองค์เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละมีใจคลองอยู่ในตัวในจักรกายในจิตนี้พระองค์ก็รวมจิตใจดวงนี้มากำหนดให้รูปแจ้งรูปหมายถึงตัวที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี่แหละ นามหมายถึงใจถึงจิตจิตนั่นมีอาการสี่อย่างเวทนาสเสวยอารมณ์สุขทุกข์เฉยเฉยสัญญาจำหมายสังขารปรุงแต่งคิดนึกวิญญาณเมื่อคิดนึกอะไรก็ลูลตามอาการนั่นให้ชื่อว่านามธรรม ไม่มีตัวมาอาศัยรูปธรรมเป็นอยู่คือรูปร่างกายนี่แหละพระองค์ก็กำหนดได้ว่ากายกับจิตนี่แหละให้ชื่อว่าลูกกับนามอยู่ด้วยกันโลกนามนี้มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตของพระองค์เพ่งดูให้รู้แจ้ง ว่ามันไม่เที่ยงจริงๆโลกมันมีความแก่ความฉลามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็แสดงความทุกข์แสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนโลกนามนี้มันไม่ใช่ตัวตนของพระองค์ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมของโลก ดวงจิตดวงวิญญาณที่ว่านามธรรมนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพระองค์กำหนดจนเห็นแจ้งภายในจิตใจตลอดทั้งหมดขึ้นชื่อว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งโรคสังขาร น, นามสังขารมีความไม่เที่ยง ดวงปัญญาความรู้แจ้งแทงตลอดในน้ำมพระไทยใจพระพุทธเจ้าก็สว่างแจ้งภายในในคืนวันนั้นเองจิตใจของพระองค์ก็ได้ตรัสสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณละกิเลสความโกรธได้หมดสิ้น ละกิเลสความโลภความอยากได้ในใจให้หมดสิน้นละกิเลสความหลงในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเมื่อจิตใจของพระองค์ละกิเลสลาคะโทสะโมหะหมดสิ้นแล่พร้อมทางวาสนา คือกิริยากายวาจาใจอันใดไม่เรียบร้อยพระองค์ก็เรียบร้อยหมดเรียบร้อละกิเลสด้วยละวาสนาด้วยในคืนวันนั่นเองเมลาสมาธิภาวนาเป็นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พวกเรามาคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองพระพุทธเจ้าเป็นผู้ ดำเนินการเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติบูชาภาวนาทําจิตใจให้องค์อาจกล้าหาญไม่ให้จิตกลัวหวาดสะดุ้งต่อภัยอันตรายใดๆอย่างว่าร่างกาย <c oughs> มันมีความไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วย นั่งมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งยืนมากมันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งเดินมากก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกเหล่านี้ท่านไม่ยึดถือท่านเห็นว่านามลูกกายใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์ยอยยางนี้เองเจตใจผู้รู้โยภายในท่านไม่ให้มาลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมัน่น ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรามันเป็นธาตุโลกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของโลกเขาตัางหากเจตใจพระองค์ไม่ได้มายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แต่โลกทั้งหลายมนุษย์สโลกเทวโลกคูมาโลกก็สมมุติไปตามเรื่องว่าพระพุทธเจ้า ความจริงใจพระพุทธเจ้าไม่ได้ยึดไม่ได้ถือแม่นิดหน่อยโลกสมมติเขาก็ว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของพระองค์นั้นเป็นโลกวีทูรูแจ้งโลูลแจ้งมันมีเหตุปัจจัยให้เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดทุกโทมานัตคับแทนแน่นใจ ผลที่สดก็มีเหตุปัจจัยให้แตกให้ตายเป็นความทุกข์ทรมานของสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้ารู้แจ้งแล้ว <c oughs> ก็มีความเมตตามีความปรุณามุติตาอุเบกขาแก่สัตว์โลกจึงได้จัดพระธรรมเทศนาโปรดปัญจวักีทั้งห้า ให้พ้นจากทุกภายในวัตสงสารส่วนพระองค์ก็ทรงสาวกทั้งห้าลูกไปเผยแผ่พระพุทธศาสตร์สนาทั่วไปในโลกพระพุทธเจ้าของเราก็ช่วยโปรดช่วยเทศสนาสั่งสอนพุทธบริสัทให้เข้าใจในการนั่งสมาธิภาวนาเดินจมกล้ม ภาวนาละจีเลตความโกรธโลภหลงในจิตใจของตนให้เบาบางหมดสิ้นไปได้เป็นสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าจริงๆจึงมีพุทธบริษัทที่นับถือพุทธศาสนานั้นได้สำเร็จมรรคผลขั้นต่ำเรียกว่าเป็นพระโสดาปติพล เป็นพระสกิทาคามีผลเป็นพระอนาคามีผลเป็นพระอระหันตาหมดกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะท่านนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูบชาเดินจมกลมทำความเพียนเพื่อนละกิเลสจริงๆพระสาวกเจ้าทั้งหลาย ก็ได้ชื่อว่าละกิเลสหมดสิ้นได้การละกิเลสในสมัยโน้นไม่เฉพาะว่าเป็นนักบูตรจึงละกิเลสได้แม้จะโยในคารวาดญาติโยมท่านก็เลิกได้ละได้ภาวนาได้เพราะการปฏิบัติภาวนานั้นเป็นของสำคัญในสมัยก่อนโน้น ตกมาสมัยนี้มักจะเข้าใจว่าไม่สำคัญอย่างอื่นสำคัญกว่าจิตใจจึงได้มกมุ่นอยู่ในกิเลสกามวัติวัตถุกรมจึงมัวเมาลุ่มหลงมัวเมาติดข้องอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทุกคนได้มาสู่สถานที่ปฏิบัติบูชาภาวนาแล้วนี่ ดวงจิตผู้รู้ผู้เห็นในตัวในใจของเรานั้นมันมีดวงเดียวไม่มีหลายดวงมีจิตดวงเดียวให้รวมจิตดวงเดียวที่รู้ที่ฟังธทรรมได้ยินอยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้โลที่ไหนหูนี่เป็นเครื่องรับเอาเสียงเข้าไปเสียงนี่ก็เข้าไปในหู ไปรู้ในใจที่เราได้ยินเสียงเนะี่ยคือว่าจิตดวงผู้รู้อยู่ในนั้นแหละก็ให้ตั้งจิตดวงนั้นและให้สงบนิ่งแนวเป็นดวงเดียวระวังไม่ให้มันคิดออกไปภายนอกหามันรวมเป็นดวงเดียวสงบระงับตั้งมัน่น จึงจะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังถูกขังอนัตตาภายในจิตใจของเราทุกคนนีนเป็นหลักปฏิบัติภาวนามาตั้งแต่สมัยครั่งพุท ธ, ธกาลจนบัดนี้เวลานี้การนั่งสมาธิภาวนาก็มีอยู่แต่ผู้จะปฏิบัติภาวนายกนี้สมัยนี้มันมีน้อยไม่มาก ยาบวชก็ตามไม่บวชก็ตามก็มักจะไม่ค่อยสนใจในการภาวานานี้มักจะเป็นว่าบวชผู้บวชก็แล้วบวชเรียนบวชเรียนก็เพื่อบวชมาแล้วก็ท่องบนสาธยายเรียนนั่นเรียนนี้ไปตามเรื่องแล้วก็เอาแค่เรียนไม่ปฏิบัติไม่ภาวานาไม่ภาวานาพุทธอในใจ เย็ดใจมันก็ไม่สงบไม่เป็นดวงเดียวเมื่อใจไม่สงบมันก็ไม่รู้ทางมีแต่ทางหลงมีแต่ความเยึดมัน่นถือมั่นในที่ทางป่วงไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางในหัวใจเย็ดใจมันก็ทุกร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะวนวายอยู่อย่างนั้นเอง เมื่อมาถึงเวลาเหล่านั่งภาวนาโดยเฉพาะในถ้ำครูหาถ้าผาปล่องนี่นับว่าเป็นโอกาสอันดีอากาศก็เย็นสบายอากาศก็เป็นอากาศชั้นสูงไม่มีฝุ่นละอองใดๆเจตใจของผู้ตั้งใจภาวนาก็จะผ่องใสสะอาด ถ้ารวมกำลังจิตใจดีๆจิตใจนั่นจะรวมลงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้เวลานี้ขณะ น, นี้จึงให้พากันรวบรวมสติความระลึกอยู่สมาธิจิตให้ตั้งมั่นลงไปจำเพราะจิตใจดวงที่รู้ที่ภาวนาพุทโธอยู่ เสียงพุททอยโยที่ไหนจิตใจก็ให้มั่นคงลงไปที่นั้นให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่ต้องเกี่ยวกเกาะกังวลกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงทำจิตใจดวงนี้ให้แน่วแน่มั่นคงลงไปโซจิตใจของตนให้ได้ <c oughs> จิตใจคนเรานั้นมันมากแต่อาการ เมื่อรวมเข้ามาแล้วมันมีอันเดียวถ้าทําจิตใจนี้ให้เป็นดวงเดียวภาวนาอยู่สงบอยู่แน่วแน่อยู่แล้วว่าเป็นเอกรังจิตตังเป็นจิตดวงเดียวเมื่อทําจิตให้เป็นดวงเดียวแล้วปัญญาวิชาความรู้ในทางพุทธศาสตร์หนาแี่ ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันมีอยู่ในจิตใจของคนเราทุกคนแล้วแต่ว่าจิตมันไม่สงบไม่ตั้งมัน่นจึงมองไม่เห็นจึงมีแต่ความลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการของกิเลสเพราะไม่สงบถ้าสงบแน่วแน่อยู่ในใจดวงนี้แล้ว คำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนจิตใจที่สงบรล ง, งับนั่นแหละมันจะเห็นในกาลก็มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดูเวลาคนเราเกิดมาทีแรกเป็นทารกเป็นเด็กน้อยมิตรเดียวเพราะความไม่เที่ยงนั่นแหละ มันจึงได้เจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับลาดับจนถึงวัยแก่วัยชราไปมาไม่ได้ก็ถึงขั้นความตายเป็นอยู่อย่างนี้แต่ว่าชีวิตของคนเราไม่ใช่มันถึงแบบนั้นเสมอนั้นทุกคนไปก็หาไม่ได้บางคนเกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มี เกิดอาทิตย์นั้นตายอาทิตย์นั้นก็มีเกิดเดือนนั้นตายเดือนนั้นก็มีเกิดปีนั้นตายปีนั้นก็มีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมันตายได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกชั่วโมงนาทีวินาทีพระพุทธเจ้าท่านจึงตับเตือนไว้ว่าอย่าพากันประมาทให้พากันรีบเร่งตั้งใจภาวนาให้มันเต็มที่ เลิกละกิเลสราคะโทสะโมหะตัดความบ่วงห่วงอะไรต่างๆให้หมดสิ้นไปเอาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจดวงเดียวแน่นอนมั่นคงหนักแน่นเพื่อจะได้ตัดกิเลสความโกรธโลภห ล, ลงในจิตใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปให้ชื่อว่าภาวนา มันแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ามันเที่ยงอยู่อย่างคนเราเกิดมาตัวน้อยนิดเดียวก็อยู่น้อยนิดเดียวตลอดไปได้หรือมันไม่ได้ก็คือมันแสดงไม่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนี่มันจเจริญขึ้นเวลาร่างกายสังขารใหญ่ขึ้นจเจริญขึ้นเจตคนเรามันก็ชอบพอพอใจ ทีนี้เมื่อมันจเจริญหมดขีดแล้วก็มีการชำรุดชุดโสมเรียกว่าแก่ชราผลที่สดท้าอายุหกสิบเจ็ดสิบไปหน้าจนถึงร้อยปีแล้วก็ต้องตายแน่ๆมันแสดงให้เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเจตของผู้ใดตั้งมั่นแล้วมันก็มองเห็นได้รู้ได้ เมื่อสงอบตั้งมั่นแล้วมันก็เห็นกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในจิตในใจในตัวของตัวเองก็เพียรพยายามเลิกละปล่อยวางไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดชาติยึดตระกูลไม่ยึดตัวเราของเรามันไม่ใช่ของเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังถ้าบอกได้แล้วก็ไม่มีคนแก่คนชรา ถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าบอกได้ก็ไม่มีคนตายถ้าบอกผมไม่ให้ขาวได้มันก็บอกไม่ให้ตายได้แต่ว่าบอกผมไม่ให้ขาวมันก็ขาวหงอกไปนี่คือว่าให้เราเตือนจิตใจนี้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้เจตใจผู้รู้โยในัยใจยาได้มาลุ่มหลงหมัวเมาติดอกติดใจโยกับร่างกายสังขารอันนี้เพราะว่ารูปร่างกายสังขารอันนี้มันมีความแก่ความชรามันมีความเจ็บไข้มันรอวันตายโยมันจะตายวันไหนเวลาใดได้ทั้งนั้น เพราะถ้าเกิดมาแล้วเรารู้แต่วันเกิดวันตายไม่มีใครรู้แต่มันตายแล้วเมื่อใดนั่นแหละก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วอันนั้นเรียกว่ารู้ทีหลังในเวลาภาวานาท่านจึงให้ตั้งจิตตั้งใจตรงนี้ลงไปถ้ามันเห็นแจ้งในจิตไม่ใช่ว่าผู้อื่นบอกให้สอนให้จึงเห็นแจ้ง ให้เป็นธรรมปฏิบัติคือตนเองนั่นแหละภาวนาเพียนเพ่งดูให้เห็นจรว่ามันไม่เที่ยงจริงๆถ้ามันเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ที่เก่ามันก็ไม่มีคนเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาที่มันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมามันก็แสดงความไม่เที่ยงแสดงความเป็นทุกข์แสดงความไม่ใช่ตัวตนอยู่ในตัวนี่แหละ แต่ว่าจิตไม่สงบระ ง, งับไม่ตั้งมัน่นเสียก่อนมันไม่รู้มันหลงไปเสียเลยความหลงเหล่านี้แหละท่านแก่ในการภาวนานี้แหละเมื่อจิตสงบตั้งมัน่นผ่องใสสะอาดไม่คุ้นข้องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆเจตใจดวงนี้ก็มีกำลังมีความแก่กล้าสามารถอ่าน มีจิตใจอันตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่มีจิตใจอันหนักแน่นเหมือนแผ่นดินมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกมีสมาธิจิตตั้งมัน่นโยได้ตลอดไปีว่ามั่นคงในใจใจไม่หลงใจไม่ลืมใจไม่ยึดหน้าใจไม่ยึดตาใจไม่ยึดเราไม่ยึดของของเรา มีความเพียรอันตั้งลงไปทีเดียวในจิตใจนั้นเรียกว่ามีความเพียรเป็นพื้นฐานเพียรละกิเลสอันใดที่เรายังเลิกไม่ได้ละไม่ได้เพียรละออกไปให้มันหมดชิ้นเพียรรักษาคุณงามความดีที่ตนได้รักษาปฏิบัติมาไม่ให้มันเสื่อมสิ้นสูญหายไป เพียงทำละจิตใจดวงที่รู้โยในปัจจุบันอันนี้ให้เมความสงบตั้งมัน่นให้พองใสสะอาดไม่ให้คุณคล้องหมองใจด้วยความโกรธความโลภความหลงเมจะต้องอาศัยความเพียรความเพียร น, นี้คือความหมั่นความขยันความไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจ จึงมีบาลีพระองค์ทรงตัดไว้ว่าวิริเยนะทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกไปได้เพราะความเพียรคนเราถ้ามีความเพียรแล้วพ้นทุกได้ทุกคนที่มันพ้นไปไม่ได้ก็คือว่าขาดความเพียรความมันความขยันเมื่อจิตใจไม่มีความเพียรแล้วก็พ้นทุกไปไม่ได้ ถ้าจิตใจภาวนาบทใดข้อใดแม้จะเป็นพุทธโธพุทธโธคุณพระพุทธเจ้าคำเดียวนี่แหละเมื่อมีความเพียรเต็มที่ความเพียรเพ่งอยู่ความเพียรพยายามอยู่เพียรรักษาที่เราทำได้ปฏิบัติได้อันใดที่ดีมีประโยชน์ก็เพียรรักษาไว ทีนี้สิ่งใดที่เรายังไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพียนละเพียนถอนปล่อยวางออกไปจนเลิกละจีเลตันหามานะทิฏฐิในจิตในใจออกไปได้เมื่อมีความเพียนมีความมันขยันทำอะไรได้แล้วก็รู้จักรักษาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อถอย นี่แหละจึงจะได้ปัญญาได้วิชาความรู้ในทางพุทธศาสนาเกจใจจะได้มีกำลังมีความสาม า, ารถอาตถานในการปฏิบัติบูชาภาวนาไม่วันนั่งก็ภาวนาในใจพุทโธในใจจะเป็นธรรมโมสังโฆอุบายใดๆไ ด, ไ ด, ได้ทางนั้น หมายถึงว่าจิตใจให้มันตั้งมั่นอยู่ในดวงใจมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนรูปนามกายใจตัวตนคนสัตว์ทางห้ายมันเต็มไปด้วยทุกมีทุกอยู่ตลอดกาล ที่เจ็บมาสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวของเราเราบอกได้ว่าฟังที่ไหนบอกไม่ให้แกมันแกไปอยู่บอกว่าอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยข้าพเจ้าไม่ชอบมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาของเขาอย่างนั้นนั่นแหละเราจะได้ถอน ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วจิตใจมันจะได้สบายมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่โลเลวุ่นวายภายนอกการตั้งจิตเจตนาให้มันมั่นคงลงไปในดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่นี่แหละ เชื่อว่าปฏิบัติบูชาภาวนาชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรวิเิเยนทุกขมัดเจติบุคคลจะล่วงทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเราทุกคนจิตใจทุกดวงใจต้องการความพ้นทุกภัยในโลกในวัฏสงสารต้องตั้งความเพียรลงไปในจิตใจนี้ เราจะไม่ท้อแท้อ่อนเอในการปฏิบัติบูชาเราจะมีความเพียรความหมั่นความขยันมีความอดความทนมีปัญญามีความรู้ความฉลาดถูกต้องตามธรรมนองครองธรรมชื่อว่าภาวนามไม่ให้ขาดระยะนอนอยู่ก็ภาวนานั่งอยู่ก็ภาวนายืนอยู่ก็ภาวนา เดินโยก็เดินจมกรมภาวนาตั้งจิตเจตนาให้มันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดลงไปในจิตใจนี่ในจิตใจของเรานั้นไม่มีใครที่จะมาช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านจึงทรงตัดไ้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโธปรโลเยะบุคคลผู้อื่นจะมาเป็นที่พึ่งนั้นไม่ได้พึ่งจิตใจที่สงบตั้งมัน่นรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติมีความสงบกายสงบวาจาสงบจิตใจรวมจิตใจเข้าไปภายในดวงใจของเหล่านี้เองเรียกว่าความเพีย ความมันความกยันความเป็นผู้มีพยาปัญญามีความรู้ความฉลาดมีความสามารถอาจหานตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตันหาภายในจิตใจของตนให้มันหมดสิ้นไปจนถึงจิตใจอันสงบระงับเย็นสบายไม่ติดข้อง ทั่วพันในที่ทางปวงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรละกิเลสไม่ว่าจะโยในเพศใดวัยใดไม่เลือกว่าเพศหญิงเพศชายไม่เลือกว่าเพศคฤือหัดเพศนักบวชจะโยในเพศพันวันณนะวัยใดก็าตามมันขึ้นโยกับจิตใจที่ภาวนาตั้งใจ มีสติเต็มที่เป็นมหาสติปฐานละลึกอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมีความละลึกอยู่อย่างนี้ตั้งใจปรารบความเพียนอยู่ในดวงจิตดวงใจแล้วเจตใจของบุคคลผู้นั้นก็ย่อมมีความตั้งนั้นไม่วันไหวไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งปวง มีสติเต็มที่ระลึกโยว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งภาวานารูปร่างกายเขานั่งจิตมันนั่งหรือไม่จิตมันหยุดหรือไม่โยหรือไม่สงบหรือไม่เย็นสบายหรือมันร้อนดูในจิตในใจนี้เมื่อดูในใจเข้าใจได้ดีจิตใจนี้ก็จะได้แน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหล <c oughs> นั่งที่ไหนก็ภาวนาที่ไหนก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอยู่ทุกเวลาเครดจ์ดไม่หลงไหลไปกับสิ่งทั้งหลายที่มันผ่านเข้าผ่านออกอารมณ์ของใจอารมณ์ของกิเลสท่านไม่ให้ไปยึดไปถือสิ่งใดๆเห็นอะไรก็ให้เห็นว่ามันเป็นก้อนทุกกองทุกข ไม่ต้องไปยึดไปถือเอาสิ่งใดทั้งหมดเอาจิตใจดวงเดียวให้แน่วแน่มั่นคงอยู่ในดวงใจเรียกว่าสงบมั่นคงหนักแน่ทําใจให้เหมือนกับผืนแผ่นดินพื้นปะสุธา น, น่าแผ่นดินเขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาไม่วันไหวฉันใดจิตใจเราผู้ภาวนา ก็ไม่ต้องหวั่นไหวสั่นสะเทือนด้วยเหตุการณ์ใดๆทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออก้าใครเป็นผู้รู้ผู้เห็นใครเป็นผู้ได้ยินได้ฟังเมื่อจิตใจดวงนี้อยู่ที่นี้นั่งอยู่ที่นี้ภาวนาตรงนี้ภาวนาอยู่เสมออย่างนี้แหละไม่ให้ขาดสติ ให้เมตติเตือนจิตเตือนใจนี้อยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่ท้อถอยมันเจ็บปวดทุกขเวทนารูปร่างกายเขาเจ็บก็มันเจ็บไปมันยังไม่ตายยังไม่ถึงตายมันจะเจ็บมากเกินไปจนถึงตายไม่มีมันก็แค่ตายนั่นไปถึงตายมันก็จบ เมื่อยังไม่ถึงตายจิตเราอย่าได้วันไหวพุทโธในใจรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจดวงนี้ให้ได้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ได้ไม่หยุดคือไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กิเลสความโกรธในใจนี้โยเหนือกิเลสความโกรธ ไม่ยอมแพ้กิเลสความโลภคือความอยากได้ความอยากได้โลภะจิตนะั้นอย่างหนึ่งท่านว่าลาคตันหาก็คือความอยากนั่นเองโทสะคือจิตประทุษสลายจิตกโกรธก็เพียรพยายามเลิกละปลดปล่อยออกไปอยากจิตใจนะั้นไม่ให้เมความขัด เพื่องในใจตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นเล้นลิ้มรสกายถูกต้อนโตับพะใจคิดธรรมรมณ้ได้ก็ไม่ยอมให้จิตใจไหววันท่านพึง่งเตือนจิตใจดวงรีวะชีวิตเป็นของแตกดับชีวิตเป็นของตาย เดี๋ยวนี้ที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือบนกศลยังรักษาไว้อยู่ให้เราได้ปฏิบัติบูชาภาวนาไปอีกไม่นานภายในร้อยปีนี่แหละบรรดามานุษย์คนทั้งหลายที่เกิดมาแล้วแต่จะมันจะหนีจากทุกข์ได้ มีโลกนามกายใจอยู่ที่ไหนในตัววุคคลนั้นมันเต็มไปด้วยทุกข์เต็มไปด้วยโทษเต็มไปด้วยความหลงมาหลงกิเลสเหล่านี้อยู่กี่พบกี่คาดแล้วพระพุทธเจา้าผู้ตรัศรุ่นพะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ พระองค์รู้แจ้งโลกไม่หลงโลกไม่หลงจีเลสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจอีกต่อไปพระองค์เร่งยานไปข้างหลังว่าพระองค์มาเกิดมาตายมากมายเท่าไหร่เมื่อเร่งยานไปข้างหลังที่เป็นมาแล้วนับไม่ถ้วน เกิดที่นั้นตายที่นั้นแล้วก็ไปเกิดที่ใหม่ตายที่ใหม่ต่อกันเรื่อยไปยังได้ความว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาตไม่ท้วนมันมากมายที่หลังไปแต่ว่าข้างหน้าก็มาถึงขั้นพระองค์ได้ตัดสู่แล้วมันก็หยุดแค่นั้นไม่ไปอีก เพราะพระองค์รู้เท่ารู้ทันแล้วกิเลสมารสังขารมารพระองค์รู้เท่าทันก่อนใครทั้งหมดในโลกทั้งในโลกมนุษย์มนุษย์สโลกทั้งในเทวโลกพระองค์ก็ไม่ลงทั้งกอมมาโลกพระองค์ก็ไม่ลงพระองค์รู้เท่าทันหมด ดับกิเลสตัณหามาณนะทิฏฐิจนหมดสิ้นเหลวดับกิเลสความโกรธได้ดับกิเกลสความโลภความอยากได้ดับกิเลสความหลงหมดสิ้นพระองค์แจ้งซึ่งในปานจิตใจของพระองค์ก็ไม่มีความลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นในชาติในตระกูลในตัวในตนใน อะไรตอนน่อมิอะไรจรึงชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิยานเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วต่อมาพระองค์ก็เทศนาว่าการโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้งห้าที่ปาอิสิ ปัตตนะมลุกฐายาวันมวงคาลานาสีแสดงปฐมเทศนาทรมาจักกับะวัตนาโสตรจบลงไปพระอัญญาโกดัญญะก็ได้บรรลุธรรมโสดาปติผลต่อมาพระองค์ก็ตัดอนัตตลักษณสโตร ทำให้ปล่อยวางลูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลให้กำหนดพิจารณาขันห้าให้เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาจงปล่อยวางตัวตนได้ท่านทั้งห้าก็เป็นพระอาราหันต์ตา่นาศยทรมมาจันไปพระองค์ก็จัดสาวกทั้งห้าองค์ ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วไปในโลกสมัยนั้นส่วนพระองค์เองก็โปรดสัต์ไปอีกพระองค์เององค์เดียวมนุษย์และเทวดาอินชมทั้งหลายก็มีความยินดีพอใจในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเนีย ว, ว่าร่วมใสเต็นที่ พระองค์ที้แจงกระแดงอย่างไรก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามผลที่สุดมนุษย์สมัยนั้นพร้อมทั้งเทวดาอินทรม์มไม่เลือกทั้นวันนะได้สำเร็จตั้งแต่โซดาปฏิผลจนถึงอรหัตตผลก็เป็นอันว่าจบพรหมจันย์ ไม่มีความยึดหน้าถือตาไม่มีความยึดตัวถือตนไม่มีความยึดเรายึดของของเราภาวนาทำความเียไม่ทอถอยญาตโยมก็ภาวนาละกิเลสได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายพระสงสามมันเนนก็ภาวนาไม่ทอดทุละไม่เหมือนพระเทวทัพ พระเทวทัพนั้นมีตั้งแต่ขัดข้านพระพุท ธ, ธเจ้าจะฆ่าพระพุท ธ, ธเจ้าให้ตายผลที่สุดพระเทวทัพเมื่อแกชลามาแล้วก็ให้ลูกศิษย์หามมาจะมากราบพระพุท ธ, ธเจ้าว่าเรานั้นมีแต่จะทำขัดข้านพระพุท ธ, ธเจ้าจะมาขอโทษขอโปลยเสียทีก็เริ่มมาไม่ถึงพอมาใกล้จะถึง โลกศิดก็ปงหาบปงหามลงไปแผ่นดินทั้งนาสองแสนสี่มื่นยอดอยู่ไม่ได้แยกเป็นสองภาค พ, พระเทวทัตก็ตกลงสู่เอเวจีหม า, หาละลกนั่นคือว่าพระเทวทัตไม่ปฏิบัติธรรมงัวแต่ทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิต ด, ด้วยใจ้นที่สุด พระพุทธเจ้าไปอยู่เมืองนิพพานพระเทวทัตไปอยู่มอนรกอเวจีมหานรกเต็นนั้นเราท่านทั้งหลายบัดนี้เรามีจิตใจมีศรัทธาความเชื่อในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระอริยสงสาวกเพียงพอแล้วอย่ามาย่อท่อในหัวใจ ต้องพากันลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้กิเลสในหัวใจนี่ให้ได้เอาจนการชัยชนะได้เหมือนพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลสมัยโน้มท่านมีความตั้งใจมั่นไม่วันไหวไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวเมื่อกลัวหิวนั่งภาวนาก็ได้นานนานจมละกิเลสได้ เดินจนกงกรมก็ได้นานนานจนละกิเลสได้ในทางจงกรมตัดกิเลสได้ในทางจงกลม ท, ท่านเอาจริงมีพระนุมอ ง, งลงต้นลูกเศรษฐีมาบวชในศาสนากว่าจำลาบิดามารดาผู้บังเกิดเก้ า, าก็ยากทีนี้มาบวชใหม่ ก็ง่วงเงาหาวนอนท่านก็ไม่นอนท่านเดินจกมกลมออกเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุโทโธจะเอาให้ได้สาเร็จเดินจนกระทั่งว่าหนังเท่าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ความเพียงของท่านก็ยังไม่หยุดเมื่อเดินไม่ได้ทำยังไรท่านก็คลาน ทานในแผ่นดินเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองข้างภาวนาพุทโธคือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมหลับภาวนาให้มันติดต่ออยู่ในใจแต่นี่ทานเข้ามันก็ไม่หยุดง่ายๆทานอยู่นั้นภาวนาพุทโธด้วยไปเข่าแตกเอกเลือดไหล มืกก็เลือดไหลออกมาทำอย่งางไรบ้าแต่ความเพียรของท่านยังมีใจของท่านไม่ทอถอยทีนี้ท่านก็นอนขวางนอนในพื้นแผ่นดินขวางทางจง ก, ก็ลกลิ้งเล้าบันกลิ่งไปกลิ้งไปภาวนาพุทโธคือไว้ให้ใจมันหลับได้สติสตังกฏตามรักษาจิตอยู่ภายใน จนสุดทางจำกรมก็เปล่งกลับมาสุดทางจำกรมก็เปล่งกลับไปภาวนาอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งว่าเครว่าต อ, อนเปล่งนอนมันไม่มีไม่มีแตกที่ไหนละมันหนักเท่าๆกันจนได้สำเร็จนายเดินจำกรมแบบเปล่งนอนไป เีราวทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามมณเนผ่าขาวนางชีทาา่าาวาทําความเทียนขนาดหลวงพี่องนั่นแล้วรับรองว่าได้สำเร็จทุกคนที่นั่งอยู่นี้เอาดูทีโดนจนเท่าแตกเลือดไหลคานจนเขาแตกมือแตกเลือดไหลคานไม่ได้นอนกลิ้งเอา องนั่งมันเอาสำเร็จได้เราอย่าไปตัวตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายมันไม่ตายีิเลกมันโกหกพกลมเราไม่รู้จิตใจของเรามันสับ ป, ปรี่ยขี้จุไปเชื่อมันนั่งภาวนาลูกเลียวฟังธรรมแล้วไปนั่งภาวนาเอาจงจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นสมาธิแล้วเอาจนเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วเอาจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเสียก่อนจึงค่อยหลับค่อยนอนอันนี้ทําอะไรอะไรก็มีแต่กลัวไม่ได้นอนกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้นอนก็เลยติดอยู่แค่นั้น ด น, นั้นต่อไปให้พากันสร้างพลังงานในจิตให้สา ม, มารถอา่านพรลึกถึงพระบรมศาสตรอาจารย์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าของเราพระองค์บำเพ็ญมาสีอสงไขยแสนมหากัรจึงได้ตรัสสรุ้เป็นสัพพุทธเจ้าในชาติปัจจุบัน ไม่ใช่พระองค์นั่งนังนอนนอนอยู่ก็ได้สำเร็จไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์บังเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีสามสิทัศบาลมีสิบประการทานการให้การบริจาคพระองค์ก็ทำได้เต็มที่ศีลรักษาศีลห้าศีลแปดขึ้นไปก็ทำได้แน่คัมภีบารามีออกบวช ไม่กังวลอยู่แค่คารวะญาติาโลโยมพระองค์ก็ทำได้ปัญญาบรารเมฝึก จ, จิตใจของพระองค์ให้มีปัญญาสอดส่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเองพระองค์ก็ทำได้วิริย์